บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยะแห่งพระพุทธคุณบทต่อไปคือพุโทโธที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้ปลุกบุคคลอื่นให้ตื่นและเป็นผู้เบิกบาน นยะแห่งพระพุทธคุณบทนี้เป็นชื่อที่รู้กันแพร่หลายพระเรานำมาเรียกพระพุทธองค์ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ในการเจริญสมถกรรมฐานโดยทั่วๆไปมักจะอาศัยนยยะของพระพุทธคุณบทนี้ภาวนาเพื่อให้ใจสงบด้วยบทว่าพุทโธแต่ว่าข้อ ที่ท่านแปลเอาไว้นั้นมีนัยะที่ควรศึกษาพินิษฐพิจารณาเพื่อเป็นหลักในการทำความสงบจิตแล้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้สูงขึ้นบทว่าพุทโธ ท, ที่แปลว่าผู้รู้นั้นหมายถึงทรงรู้แจ้งสิ่งทั้งปวง ตามความเป็นจริงด้วยการสัจสรุอริยสัจ ท, ทั้งสประการข้อนี้จะเห็นได้ว่าธรรมะที่ทรงแสดงถึงแม้ว่าจะมีนัยะวิจิตพิสดารถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามแต่ว่าเมื่อจัดให้เกาะกลุ่มกันแล้วก็คือเรื่องของอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการ สิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายมีความเกิดความแก่เป็นต้นนั้นก็อยู่ในกลุ่มของทุกข์สัศด์สิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ความกัศด์อยากรือความเล่าร้อนด้วยประการต่างๆซึ่งสรุปรวมว่ากิเลสนั้นก็อยู่ในกลุ่มของสมุทยัยผลที่บุคคลจะสัมผัสได้ด้วยใจ มีความสงบมีความสะอาดมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นภายในจิตตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคลนั้นก็อยู่ในกลุ่มของนิโรธส่วนหลักการเพื่อปฏิบัติให้บรรลุผลตามที่ทรงแสดงเอาไว้ก็อยู่ในกลุ่มของมารกษัตริย์ทั้งนั้นพระพุทธเจา้าเมื่อทรงตรัสรู้อริยสัจส ตามที่ได้อถาธิบายมาในบทพระพุทธคุณบทว่าสมาสมบูรณ์แล้วนั้นก็ทําให้พระองค์ทรงรู้สรพรพสิ่งด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าเวลาสอนนั้นก็ไม่ได้สอนทั้งหมดอย่างที่ทรงอุปมาไว้ว่าสิ่งที่พระองค์รู้เหมือนใบไม้ในป่าแต่สิ่งที่นำมาสั่งสอนนั้นเหมือนกับใบไม้ในฝ่ามือ เป็นคำสอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพระจุดประสงค์ของพระพุทธองค์นั้นทรงมุ่งขจัดความทุกข์เหตุเกิดแห่งความทุกข์ซึ่งครอบงำสัตว์โลกอยู่ดังนั้นเรื่องอะไรที่ไกลเกินเป้าซึ่งคนจะสัมผัสได้ก็ไม่นำเรื่องเหล่านั้นมาแสดงนอกจากบางครั้งบางคราว จะอาศัยเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ธรรมะเท่านั้นเพราะคำสอนอันใดที่ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์และรู้แจ้งซึ่งความจริงแห่งสัตว์สังขารทั้งหลายแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไม่แสดงเรื่องเหล่านั้นแต่คำว่าพุทธะที่แปลว่ารู้นั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งภายในจิตคน บางอย่างก็เรียกว่าวิญญาณในธาตุแปลว่าธาตุรู้บางคราวก็เรียกว่าพุทธธาตุซึ่งแปลว่าธาตุรู้เหมือนกันอันแสดงให้เห็นว่าคนแต่และคนนั้นมีเชื้อธาตุรู้กันอยู่มากบ้างน้อยบ้างเมื่อประสบกับการแนะนาตักเตือนหรือประสบกับสิ่งที่ตนได้เห็นด้วยตาเป็นต้น ถ้าหากว่าทาดรู้ไม่ถูกกลบไว้ด้วยอาสวะกิเลสมากเกินไปอย่างที่ทรงใช้คำว่ามีธุลีในดวงตาน้อยคำว่าธุลีในที่นี้ก็หมายถึงมลทินของจิตได้แก่กลุ่มกิเลสพวกโลภะโทสะโมหะนั่นเองเกิดขึ้นหมักง ม, มทับถมอยู่ภายในจิต ซึ่งบางครั้งทรงใช้คําว่าอาสวะแปลว่าเครื่องหมักดองจิตบางครั้งทรงใช้คําว่ากัญทะไปว่าร้อยรัดจิตของคนเอาไว้บางครั้งก็ใช้คำว่าโยคะที่แปลว่าประกอบสัตว์ไว้ในความทุกข์และในสังสารวัฏซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือกลุ่มของอวิชชาเป็นกิเลส ท, ที่มีเชื้อสายเกิดสืบเนื่องมาจากอาวิชชาทั้งหมด ความเป็นผู้รู้ของบางคนจึงเปล่งออกมาไม่ได้เพราะถูกอวิชชาคือความมืดบอดปิดบังเอาไว้ทำให้คนเป็นนั้นมากแม้มีโอกาสพิเศษซึ่งน้อยคนจะได้แต่กลับไม่ฉกฉวยโอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนปล่อยจิตใจให้เพลิดเพลินเริงหลงอยู่ใน โ, กโลกิยอรมณ์ทั้งหลาย บางครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงต้องมีพระพุทธดำรัสจัดแบบกระตุกอย่างรุนแรงเพื่อให้คนขวนมาศึกษารู้จักตัวของตัวเองว่าในขณะนี้ตนอยูต่ตกอยู่ในสภาพอย่างไรมีปัญหาอะไรและควรจะจัดการแก้ไขอย่างไรอย่างที่รับสั่งไว้แก่กลุ่มอุบาสิกาพวกหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของนางวิสาขาว่า พวกเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันอยู่อีกล่าในเมื่อโลกกสันนิวาตนี้เล่าร้อนอยู่เป็นนิดพวกเธอที่ถูกความมืดคือโมหะคุ้มขอไว้ทำไมจึงไม่แสวงหาประเทียเป็นเครื่องส่องทางแห่งชีวิตล่าแต่ในขณะเดียวกันบรรดาคนเหล่านั้นมีคนเป็นจำนวนไม่น้อย ที่ทาธาตุรู้เปล่งประกายออกมาให้เห็นข้อนี้พึงดูตัวอย่างบุคคลที่มีแนวโน้มมีอัตยาสัยสนใจในเรื่องการบุญการกุศลนิยมชมชอบในการไหว้พระสวดมนต์ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมบางคนมีเชื้อพื้นจิตมาตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วนี่แสดงเห็นว่ากิเลส คือทุลีในดวงตาของบุคคลเหล่านั้นไม่มากเกินไปธาตุรู้สามารถเปล่งประกายออกมารับรู้เหตุผลต่างๆได้การประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นก็จะโน้มน้อมไปหาความสงบเมื่อวัยร่งการผ่านมาก็มุ่งมานะที่จะพัฒนาชีวิตของตนเองตามหลักของศีลสมาธิปัญญา ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้อย่างที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รอดพ้นจากความหนาทึบแผงอวิชชาเข้ามาให้ความสนใจศึกษาในการปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องสมาธิและการใช้ปัญญาพินิจพิจารณานั้นก็ควรแก่การภาคภูมิใจเอิบออ่มใจว่าบรรดามวลมนุษย์ เป็นนันมากนั้นซึ่งกำลังแหวกว้อยู่ในสายฐานแห่งอารมณ์และสายฐานแห่งกิเลสประสบอันตรายในมหาสมุทรด้วยน้ำบนคือขาดความอดทนต่ออารมณ์ต่างๆบ้างด้วยภัยคือจรเข้ได้เคเห็นแก่ความสนุกสนานด้วยการเที่ยวการดื่มการกินบ้างด้วยภัยคือคลื่น ที่สัดศาสตร์หัวใจให้สับสนบุ่นวายไปในอารมณ์ต่างๆและด้วยภัยคือปรารายการมัวเมาหมกมุ่นในกามาคุณทั้งหลายการที่บุคคลใดก็ตามสามารถที่จะหลีกเลี่ยงภัยเหล่านี้มาได้พยายามหาความสงบความรู้ให้บังเกิดขึ้นแก่จิตของตนั้นเป็นการเชีย่ยเห็นถึงคุณภาพของวิญญาณใธาต หรือพุทธธาตุที่มีอยู่ภายในจิตของตนว่าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับรู้คุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปได้แต่ว่าพุทธธาตุนี้เวลาเปล่งประกายออกมาในลักษณะหนึ่งตนเรียกว่าไชชาติกะปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นมาโดยกำเนิดคือติดมาตั้งแต่เกิดแล้วข้อนี้ก็จะเห็นได้ เช่นเดียวกันว่าคนเราที่เกิดมานั้นมีพื้นฐานทางสติปัญญาแตกต่างกันด้วยกันบางคนสามารถเรียนรู้อะไรได้ในเวลารวดเร็วแต่บางคนไม่ยอมเข้าใจได้แม้แต่เรื่องคันห้าว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเป็นต้นซึ่งเป็นการเชื่อเห็นว่าปัญญาในส่วนหนึ่งนั้นบุคคลจะต้องประกอบกระทำให้บางเกิดขึ้น แต่ปัญญาในชั้นที่จะบรรเทาความมืดเขือวิชาให้เบาบางจนถึงก็หมดสิน้นไปภายในจิตนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็จำแนกออกเป็นสองฝ่ายด้วยกันฝ่ายแรกเรียกว่านิเบติกะปัญญาคือปัญญาในการจำแนกแยกแยะสิ่งต่างๆโดยเหตุโดยผล ขอ น, นี้จะเห็นโดยรูปธรรมกว้างการที่พระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะได้ทรงมองปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏอยู่โดยปกติธรรมดาด้วยวิธีแยกแยะออกไปโดยเหตุโดยผลโดยทรงมองเห็นว่าธรรมดาวัตของทั้งหลายนั้นมีอยู่คู่กัน เมื่อมีร้อนก็มีเย็นมีมืดก็มีสว่างมีทุกข์ก็มีสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่มีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บมีตายก็ต้องมีไม่ตายแต่ปัญหาสำคัญว่าอยู่ที่ไหนแต่นั่นเองข้อนี้แสดงให้เห็นถึงแววแข่งพุทธธาสที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาภายในพระทัยของพระโพธิสัตว์ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มแ่นันเอง ปัญญาในลักษณะนี้เมื่อพระองค์ได้สแสวงหาคนคว้าทางจัดสรุปก็สามารถชำ่แรกแยกแยะสิ่งต่างๆโดยเหตุดยวยผลค้อนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างในอริยสัจ ท, ที่กล่าวในตอนต้นก็คือแยกได้โดยเหตุโดยผลว่าทุกนั้นเป็นผลซึ่งบุคคลจะต้องกำหนดรู้ไว้โดยส่วนเดียวจะไปแก้ไขควบคุมอะไรไม่ได้เพราะมันเกิดมาแล้ว สมุทัยนั้นเป็นเหตุซึ่งจะต้องพยายามปฏิบัติเพื่อละโดยส่วนเดียวช้ายอย่างอื่นไม่ได้นิโรดนั้นเป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายปลายทางที่บุคคลจะต้องตั้งความหวังไว้ว่าอาตนจะอาศัยความเพียรพยายามของบุรุษมุมาณะเพื่อสัมผัสป้าหลอดนั้นให้ได้มักนั้นเป็นภาเวตประธรรม ที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติสร้างสารรค์ขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นมรรคก็เป็นเหตุให้เกิดนิโรธสมุทัยก็เป็นเหตุให้เกิดถุกอริยสัจจึงเป็นเรื่องของเหตุผลคำสอนพระพุทธองค์ทั้งมวลจึงเป็นเรื่องของเหตุกับผลเท่านั้นเองไม่ว่าจะไปในไปเป็นธรรมะในชั้นทั่วๆไปหรือว่าในชั้นที่เป็นมรรคผลนิพพานก็ตาม จนถึงบรรลุชั้นสูงสุดก็เป็นผลที่ถาวรไม่มีความเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปได้แก่มรรคผลนิพพานนั่นเองเมื่อบุคคลสามารถชำแรกแยกแยะสิ่งต่างๆโดยเหตุโดยผลได้เวลาประสบปัญหาอะไรก็ต้องดูว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลถ้าจะผลอันใดที่ตนไม่ต้องการก็ต้องไม่สร้างเหตุเพื่อเกิดผลเหล่านั้น เมื่อสร้างเหตุลงไปแล้วก็ปฏิเสธผลไม่ได้เพราะผลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนตามสมควรแก่เหตุและจะไม่มีการขัดแย้งกันไม่ว่าในการใดๆก็ตามอย่างที่พระพุทธมีพระภากเจ้าทรงแสดงไว้ในอัถฐานสูตรว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งทำความชั่วแล้วจะได้รับความสุขความเจริญเพราะการกระทำชั่วของตนเป็นเหตุ แน่นอนว่าคนที่ทําชั่วอยู่ในปัจจุบันบางคนอาจจะได้รับความสุขความเจริญแต่นั่นไม่ใช่เป็นเกิดมาจากเหตุคือการกระทําความชั่วแต่เนื่องจากความสลับซับซ้อนของกรรมที่บุคคลได้กระทําเอาไว้ในขณะปัจจุบันนี้เขาอาจกําลังเสวยผลแห่งกุศลแลกรรมจุแต่คราวใดที่กรรมชั่วของเขาให้ผลคราวนั้น จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนโดยส่วนเดียวเรื่อเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งกระทำความดีแล้วจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการกระทำดีเป็นเหตุแต่คนอาจจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนได้เพราะความสลับซับซ้อนแห่งกรรมโดยนยะที่ได้กล่าวมาแล้วนี่เรียกว่าเป็นนิพเบทิกะปัญญา คือปัญญาที่ชำแรกแจกแยะสิ่งต่างๆโดยเหตุดยผลให้ท่องแท้แต่การปฏิบัติในลักษณะนี้จะต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ว่าในชั้นของการปฏิบัติเรื่องอะไรก็ตามแม้การแสดงธรรมะของพระพุทธองค์แก่กลุ่มคนแก่บุคคลแต่ละคนก็อาศัยเหตุผลในการแสดงธรรมเพราะธรรมะนั้นมีความดีอยู่ในตัว แต่ว่รรคคือกิเลสภายในจิตคนนั้นแตกต่างกันมีอะไรที่รุนแรงบางคนมีโลภรุนแรงบางคนมีโกรธรุนแรงบางคนมีหลงรุนแรงก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไปในกรณีที่มีความโกรธความอาฆาตพยาบาทรุนแรงก็จะแสดงธรรมะในลักษณะสลายความรู้สึกเหล่านั้นจชนให้มีเมตตายกรุณากันเป็นต้นแม้การปฏิบัติชั้นกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้น อย่างที่พูดกันว่าทรงสอนไปตามจริตอัธยาศัยของบุคคลเพื่อให้เกิดเป็นส ป, ปายะคือความสะดวกสบายสำหรับบุคคลผู้นั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะบังเกิดผลขึ้นมาปัญญาอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าอุดยัตถะกามินีปัญญาคือปัญญาที่รู้จักความเกิดและความดับของสังขารทั้งหลาย ในการเจริญอนาปานสติคือการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกของตนเวลาที่จิตมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิบางคนอาจจะรู้สึกว่าลมหายใจไม่มีหรืออาจจะมีลมหายใจอ่อนหรือบางครั้งก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาเป็นตน้นก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นในลมหายใจ ลมหายใจเองก็เป็นตัวกายส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นกายสังขารคือตัวที่ปรนปรือหลอดเลี้ยงร่างกายของบุคคลอยู่แล้วเมื่อบุคคลมามองดูจุดเกิดดับของลมหายใจก็จะเห็นได้ว่าลมหายใจนั้นเกิดดับที่สืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาในช่วงยาวๆที่เห็นได้ง่ายหายใจเข้าก็เป็นเกิด หายใจออกก็เป็นดับหายใจเข้าก็เกิดหายใจออกก็ดับและระหว่างดับกับเกิดนี้ถ้าเกิดแล้วไม่ดับหรือดับแล้วไม่เกิดก็หมายความว่ากายสังขารขาดเครื่องปรนปรือร่างกายขาดชีวิตของบุคคลก็จะถึงการแตกดับเมื่อดูให้ประจักษ์ชัดที่ลมหายใจเข้าออกด้วยความรู้เกิดดับแผงลมและจะโยงไปในส่วนอื่น ซึ่งอิงอาศัยลมหายใจเข้าออกอยู่ทั้งนั้นก็จะมองเห็นว่ามีความเกิดดับปรากฏอยู่แก่ส่วนต่างๆแห่งร่างกายเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากมีสัน ต, ติคือการเกิดสืบเนื่องกันมาคนจึงมองเห็นคล้ายๆกับว่าเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยใจที่ส ง, งบจากการปฏิบัติทางสมาธิมา ได้เสริมสร้างปัญญาให้สูงขึ้นบุคคลสามารถแยกแยะได้โดยนัยต์ที่กล่าวแล้วเมื่อ ม, มองดูจุดของความเกิดดับก็จะเห็นความเกิดความดับปรากฏจุพอดูกาจริงๆจะเห็นเป็นความดับที่ถี่ยิบปรากฏจูกรลมหายใจและแก่อวัยวะส่วนอื่นๆซึ่งในข้อนี้ตั้งที่เคยกล่าวมาแล้วว่า จุดที่ทำให้บุคคลไม่สามารถจะเห็นความเกิดดับได้ชัดก็คือว่าสันติการเกิดสืบเนื่องกันและกาละที่เป็นตัวขั้นขวางเอาไว้การมองในลักษณะปัญญาชําแรกกิเลสการมองในลักษณะดูความเกิดความดับจึงเป็นเรื่องของปัญญาที่กล้าแข็งแหลมคมการจัดความรุ่มหลงเหล่านั้นให้เบาบางออกไป ก็จะปรากฏชัดแก่ใจของตนเมื่อเห็นความเกิดความดับที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเช่นนี้ธรรมะที่เป็นกุศลเหล่าอื่นก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมรณสติมองเห็นความตายเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าทำให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่ายระอาในสังขารทั้งหลาย จะเกิดความคิดที่กอบด้วยสติคือความไม่ประมาทคิดมาคล้ายๆกับว่าคนที่อาศัยอยู่ในเรือท่ามกลางมหาสมุทรเห็นเรือรั่วอยู่ตลอดเวลามีแต่น้ำข้าวอย่างเดียวโอกาสที่จะจมนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเมื่อบรณาภัยใกล้เข้ามาเช่นนั้นผู้ฉลาดจะต้องพยายามฉกฉวยเอาประโยชน์ ในขณะที่ตนยังมีเรี่ยวแรงมีกําลังมีสติปัญญาพอที่จะสร้างขึ้นได้ก็จะสร้างขึ้นอัปรมาณแต่ธรรมคือความไม่ประมาทก็จะบังเกิดขึ้นคุ้มครองใจขึ้นมองดูผลว่าผลอะไรบ้างที่สามารถจะนําติดตัวไปได้หลังจากเรือแตกทําลายไปแล้วก็จะสร้างเหตุเพื่อให้บังเกิดผลเหล่านั้นการนารงชีวิต ของบุคคลในแต่ละวันจะกลายเป็นคนพร้อมจะฉกฉวยโอกาสหาความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตพยายามใช้ปัญญาพินิษพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของตนซึ่งในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ด้วยประโยคสั้นๆว่าตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติคือให้เห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆในอารมณ์นั้น การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ในลักษณะนี้จึงสามารถใช้ได้ในที่ทั่วไปเพราะตัวการสําคัญที่จะเสริมสร้างความรู้คือสติและปัญญาสติกับปัญญามีอยู่ภายในจิตเวลาใดอารมณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสจะทำให้บุคคลระลึกรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นแยกแยะได้ในรูปเหตุผล และมองเห็นถึงความแตกดับของสิ่งเหล่านั้นว่าจะต้องเกิดขึ้นแก่สิ่งทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเองและแม้แต่โลกความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตของตนและความระลึกรู้ที่บังเกิดขึ้นทุกครั้งมีลักษณะคล้ายๆกับน้ำที่หยดลงไปสลายความขุ่นข้นซึ่งมีอยู่ใน อีกภาชนะหนึ่งทุกครั้งที่น้ำสะอาดซึ่งหยดหยดลงไปนั้นไม่ใช่ว่ายดลงไปแบบธรมธรมดาธรรมดานอกจากจะหยดลงไปแล้วแกยังทำหน้าที่สลายความขุ่นข้นที่มีอยู่ในภาชนะนั้นให้เบาบางลงไปเรื่อยๆสติปัญญาการใช้เหตุผลต่างๆในทางาศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้น เมื่อบุคคลพยายามให้บังเกิดขึ้นทุกครั้งทุกขณะที่เกิดจะมีคุณภาพในการสลายความขุ่นข้นของบรรดาอาสวะกิเลสทั้งหลายอวิชาก็จะเจือจางลงโลภาโทสะโมหะเองก็จะเจือจางลงและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือพุทธธาตุหรือวิญญาณธาตุได้เชื้อบวกเข้ามาเหมือนกับแสงสว่าง ที่มีแสงสว่างอืดแสงสว่างอื่นมาเสริมให้สว่างมากยิ่งขึ้นปริมาณความมืดที่คุ้มพออยู่บริเวณนั้นก็ค่อยจางไปโดยลําดับการปฏิบัติธรรมะด้วยการเสริมสร้างสติปัญญาเป็นต้นดังกล่าวแล้วนั้นจึงเป็นการค่อยๆบรรเทาพวกกิเลสที่มาจากรากเง่าวของอวิชชาให้เบาบางลงไป วิชาก็ปรากฏขึ้นอวิชาก็จางลงวิชาก็ปรากฏขึ้นพอถึงจุดเด่งความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายก็จะปรากฏภายในจิตของบุคคลเป็นความรู้ที่ไม่ไม่มีความยึดความจิตไม่มีความหลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่ารู้โดยไม่หลงเพราะมีบางเรื่องที่คนรู้แล้วยังหลงยังติดยังสยบอยู่ในเรื่องเหล่านั้น ความรู้ในพระพุทธศาสนาที่พระพุ้มีพระภากเจ้าทรงรู้และท่านที่รู้ตามพระพุทธเจ้าได้รู้นั้นเป็นความรู้ในลักษณะที่ไม่หลงไม่ติดอีกต่อไปเหมือนบุคคลรู้ว่าสิ่งนี้เป็นยาพิษแล้วไม่ใกล้ไกลยาพิษอีกต่อไปเชนั้นเมื่อความรู้ปรากฏขึ้นก็ Кор จะทำหน้าที่สลายความมืดภายในจิต กิเลสซึ่งปรากฏตัวออกมาในลักษณะต่างๆก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนถึงก็หมดสิ้นไปความยึดติดด้วยอำนาจตัณหาว่าของเราของเราในสิ่งต่างๆก็จะเบาบางไปจนหมดสิ้นไปแม้ความยึดถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่หรือเป็นตัวเป็นตนของเราก็จะไม่มีอีกต่อไปแม้ในชั้นปกติธรรมดาบุคคลสามารถแยกได้ ระหว่างความจริงเงินแท้จริงกับความจริงแบบสมมุติเมื่อถึงความจริงชั้นสมมติก็ทำตามสมมุติได้เต็มที่โดยไม่มีความยึดติดเวลาเปลี่ยนแปลงก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรเพราะรู้แจ้งปริมัดปรามั์ซึ่งเป็นอีกภากหนึ่งของความสมมุติเหล่านั้นความรู้ความเข้าใจตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงรู้มานี ถึงแม้จะไม่สามารถทำลายอาวิชชาได้สิ้นเชิงก็ตามแต่คนจะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองสามารถวิเคราะห์ตัดสินปัญหาต่างๆด้วยตัวเองที่เกิดขึ้นว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรควรจะเสริมสร้างขึ้นห ร, หรือควรจะบรรเทาให้เบาบางลงไปโดยอาศาัยหลักของโยนิโสมนัิการคือการทําไว้ในใจด้วยด้วยบานแยบคายบ้าง และยึดมั่นอยู่ในหลักของธรรมานธรรมปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผลจากการรู้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าก็จะเป็นหลักคุ้มครองใจของบุคคลผู้นั้นให้เกิดความสะอาดสูงขึ้นความสงบสูงขึ้นจิตใจก็จะสว่างด้วยวิชาคือความรู้เป็นเครื่องส่องทางชีวิตของบุคคลนั้นให้เข้าใกล้ พระคุณของพระผู้มีเราจะปากยากบทว่าพุโทโธมากยิ่งขึ้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อ